นายคนตัดไม้ผู้ซื่อสัตย์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่นามว่าเอลินเขาเป็นชายที่ซื่อสัตย์มากและจะไม่ยอมเอาสิ่งใดที่ไม่ได้เป็นของเขาเลยเด็ดขาดแต่มันตลกตรงที่เขาอาศัยอยู่ในบ้านของโจร พวกเขาจะออกขอโมยของของคนอื่นในหมู่บ้านในตอนกลางวันและในตอนกลางคืนเขาก็จะฉลองแด่สิ่งที่พวกเขาได้มาแต่เอเลนไม่เคยมีความสุขกับสิ่งนี้เลยฉันไม่ชอบแบบนี้เลยอนุ่มหนายไม่ชอบกันเหรอกันส่งมาให้ฉันเลยฉันฟาดเรียบเอง <c oughs> อะไรนะนายพอเลยฉันพร้อมที่สุดในนี้แล้วเอามันมาให้ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยเอเลน ทำไมนไม่ชอบอาหารที่นี่งั้นเหรอมันไม่ใช่เรื่องอาหารการใช้ชีวิตของพวกเราต่างหากฉันไม่ชอบการขโมยและความไม่ซื่อสัตย์เลยฉันอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ชีวิตที่ดีงั้นเหรออร่อยจะดีไปกว่านี้งั้นเหรอพวกเรามีท้องและอาหารแสนอร่อยที่พวกเราต้องการากาไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้ว ฉันเชื่อว่ามันมีดีกว่านี้ฉันจะไปพรุ่งนี้เช้าแล้วเริ่มชีวิตใหม่เพื่อตัวฉันเองฮ่าตามใจนายเลยดีซะอีกฉันจะได้ส่วนแบ่งอาหารเพิ่มขึ้นหนาอยหนายงั้นเหรอไม่แน่นอนส่วนแบ่งของเอเลนเป็นของฉันเอามือของนายออกจากจานนั่นซะพอดได้แนละ้วพวกนายนี่วันต่อมาเอลเลนได้ออกจากบ้านของเขา เขาเข้าไปที่หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ซื่อสัตย์ของเขาเมื่อเขามาถึงหมู่บ้านเขานั่งลงและคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อฉันต้องหางานทำก่อนเพื่อจะได้มีอาหารและที่พักในตอนกลางคืนอืมฉันจะทำอะไรดีนะโอ้โอ้ถ่าจริงโอแอปเปลิลของฉันเออไม่เป็นอะไรนะครับผมเก็บให้เองนี่ครับ โอ้ท่าใจดีจริงๆนายคงหิวสินะเอาแอปเปิลไปกินได้นะโอ้ไม่ไม่เป็นไรผมรับไว้ไม่ได้มันเป็นของคุณอ๋หนายแน่ใจนะไปดูกำลังหิวเลยฉันว่านะเอ่อครับไม่เป็นไรจริงๆครับผมผมไม่หิวแล้วล่ะโอ้ก็ถ้านายไม่หิวแล้วเสียงคำรามที่อยู่ในท้องของนายละ่ะคืออะไรเหรออ่ นี่จ้ากินได้มากเท่าที่นายต้องการเลยฉันซื้อใหม่ได้จริงเหรอครับอลเลนกินแอปเปิ้ลทั้งหมดยังมีความสุขหญิงชรามองที่เขาแล้วยิ้มออกมานายเป็นใครกันนายอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอเออเปล่าครับผมไม่ใช่คนแถวนี้ผมชื่ออลเลนเพิ่งมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับผมกำลังหางานแล้วก็ที่พักอยู่ครับอ้ออย่างนั้นเหรอ เอาอย่างนี้นายมาพักกับฉันก่อนไหมฉันจะให้ที่พักหนายจนกว่านายจะหางานได้นะโอ้คุณช่างมีเมตตาขอบคุณมากครับไม่ท้องเกรงใจหรอด้วยเหตุผลนี้อเลนจึงอาศัยอยู่กับหญิงชราเธอเป็นคนที่อ่อนโยนและปฏิบัติกับเขาอย่างใจดีอเลนคิดอยู่เสมอว่าจะตอบแทนเธอได้ยังไง ใ น, นที่สุดเขาก็ได้งานเป็นคนตัดไม้เขาจะออกไปตัดไม้ในระหว่างวันและขายมันแต่รายได้ของเขาก็ไม่มากนะักไม่ว่าเขาจะได้เงินมาเท่าไหร่เขาก็จะแบ่งให้กับหญิงชราอยู่เสมอวันหนึ่งเขาออกไปตัดไม้ตามเคยเขาได้คิดขึ้นมาวันนี้ฉันต้องตัดไม้ให้ได้เยอะขึ้นเมื่อวานแทบจะไม่มีอาหารพอเลยที่บ้านถ้าวันนี้ฉันได้เงินจากการขายไม้ได้มากขึ้น คุณยายอาจจะดีใจมากก็ได้ถ้าหากฉันสามารถจัดเลี้ยงแก่พวกเราได้เขาตกอยู่ในความคิดที่มีความสุขของเขาในขณะที่เขากำลังตัดไม้ควานของเขาได้หลุดออกมาจากมือแล้วตกลงไปในแม่น้ำโอ้ไม่นะนี่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันสามารถจะตอบแทนคุณยายได้ฉันจะทำไงดีทันใดนั้นเองนางฟ้าแห่งสายน้ำได้ปรากฏตัวขึ้น คนตัดไม้ตกใจที่ได้พบเธอเธอมองไปที่ใบหน้าของคนตัดไม้และรู้สึกสงสารเขาว่าไงเจ้าผหนุ่มฉันเป็นนางฟ้าแห่งสายน้ำเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอโอ้คือขวานของผมตกละบายในแม่น้ำครับมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมใช้ทามาหากินไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะเอามันมาคืนนายเองนางฟ้าแห่งสายน้ได้ไร่เวทมนต์ของเธอเพื่อสร้างน้ามนต์ และได้มีขวานสีทองอันลังค่าพระดับประดาไปด้วยทัพทิมและมรกฏออกมานางฟ้าแห่งสายน้ำเสนอขวานทองให้แดอาเลนด้วยรอยยิ้มนี่ใช่ขวานของนายไหมออไม่ครับนี่ไม่ใช่ขวานของผมนายมั่นใจนะเอ อ, เ อ, อใช่ครับผมมั่นใจไม่ใช่แน่นอนงั้นขอฉันหาอีกรอบแล้วกัน นางฟ้าแห่งสายน้ำใช้เว้นมน์ของเธออีกครั้งคราวนี้ควาสีน้ำเงินออกมามันถูกประดับไปด้วยอัญมณีที่มีค่าและเปล่งประกายงดงามนี่คงเป็นของนายอย่างแน่นอนรับมันไปสิเ อ, อ่อขอโทษนะครับแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่ของผมเช่นกันนางฟ้าแห่งสายน้ำยิม้มและใช้เว้นมนของเธออีกครั้งครั้งนี้เธอได้นำขวานของขคนตัดไม้ออกมานี่แหละครับนี่แหละขวานของผม โอ้ขอบคุณมากนะครับนางฟ้าใจดีฉันเสนอขวานทองและขวานเงินที่ประดับไปด้วยอัญมณนนีและครื่องเพชรมากมายแต่นายคงซื่อสัตย์และขอขวานของตัวเองอีกนะฉันประทับใจในตัวนายมากเลยนะนางฟ้ายังมอบขวานเงินและขวานทองใด่เขาอเลนตื่นเต้นไปอย่างมากเขาขอบคุณนางฟ้าและกลับบ้านอย่างมีความสุข ด้วยเงินที่เขาได้มาจากขวานทั้งสองเขาสร้างบ้านที่สวยงามให้แก่หญิงชราตอนนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างสะดวกสบายวันหนึ่งอเลนได้ออกจากบ้านและพูดคุยกับคนอื่นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างพวกเขาต่างก็อยากรู้ว่าเอเลนได้โชคพวกนี้มาอย่างไรได้คงไม่ได้ขโมยของคนอื่นมาใช่มฮ่า <c oughs> เปล่าเลยผมไม่ได้ขโมยอะไรเลยครับมันก็แค่ผมโชคดี เขาอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแม่น้ำให้กับคนอื่นฟังเพื่อนของเขาคนหนึ่งคนตัดไม้อีกคนที่มีชื่อเจมส์ได้ยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายเพราะแบบนี้ผมถึงได้ควานทั้งสองมาจากแม่น้ำนางฟ้าแห่งสายน้ำช่างใจดีจริงๆดูเหมือนว่าเธอจะเป็นนางฟ้าที่ใจดีมากๆเลยสินะในวันนั้นเจมส์ได <c oughs> ้มาที่แม่น้ำพร้อมกับขวานของเขา เขามองดูรอบๆจนมั่นใจว่าไม่มีใครกำลังดูเขาอยู่เมื่อเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรแล้วเขายนขวานของเขาลงไปในแม่น้ำและร้องออกมาอย่างเศร้าโอยโอ้ไม่นะขวานของฉันสิ่งหากินอย่างเดียวของฉันได้โปรดช่วยฉันด้วยทันใดนั้นนางฟ้าแห่งสายน้ำและปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาด้วยแสงสว่างมีอะไรอย่างนั้นเหรอเกิด อ, อะไรขึ้นนะ่ะโอ้นางฟ้าใจดี ขวานของฉันตกลงไปในแม่น้ําได้โปรดช่วยฉันด้วยนะแม้จะเป็นห่วงนะฉันจะเอามาคืนให้นางฟ้าใช้พลังเวทมนต์ของเธอเพื่อสร้างน้ําบนุนขึ้นดวงตาของเจมเบิกกว้างด้วยความโลภนี่ใช่ของท่านไหมใช่ใช่แล้วนี่เป็นขวานของข้าโอ้ขอบคุณท่านมากเจมรีบยื่นมือเพื่อคว้าขวานทองแต่นางฟ้าไม่ประทับใจกับพฤติกรรมของเขา นายฉันน่าจะอิสเอียนเจ้าคลโมบฉันไม่พอใจ ก, กับความไม่ซื่อสัตย์ของนายฉันจะไม่มอบขวานทองนี้และไม่หาขวานของนายให้แน่นอนเลยไปให้พ้นเดี๋ยวนี้ดังนั้นนางฟ้าแห่งสายน้ำจึงหายตัวไปปล่อยให้เจมส์เศร้าใจและผิดหวังเขาโลกมากเกินไปและเสียโอกาสที่จะได้ขวานทองรวมไปถึงขวานของเขาเองด้วย เมื่อเอเลนได้ยินเรื่องนี้เขาเสียใจกับเจมส์มากและได้มอบเปลี่ยนทองเล็กน้อยให้กับเขานี่เอาเหรียญนี้ไปไปซื้อขวานใหม่ซะนะแล้วก็จำเอาไว้เพื่อนความซื่อสัตย์จะตอบแทนเราเสมอเจมส์ร้องไห้ออกมาอย่างหนักและขอบคุณเอลเลนต่อมาในวันนั้นเมื่อเอลเลนกลับมาที่บ้านเขายิงชราเขาพบว่ากระทับเก่าๆตอนนี้ ได้กลายเป็นบ้านทองคำที่งดงามอลเลนตกใจมากนี่อะไรกันฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมทันใดนั้นเขาได้พบจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่เขาหยิบมันขึ้นมาแลวเริ่มอ่านอลเลนที่รักน้อยไม่เพียงแต่สุอสัตว์น้อยยังใจดีและมีเมตตาดูแลตัวเองให้ดีด้วยรักจาก่างฟ้าแห่งสายนะ้ำอุ๊ย ฉันหมายถึงหญิงชรอนอลเลนแทบไม่อยากจะเชื่อหญิงชราที่อยู่กับเขาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนางฟ้าแห่งสายนางเขายิ้มออกมาและน้ำตาได้ไหลออกมาจากตาของเขาในม่จ ก, กีจปีข้างหน้าอลเลนได้รับเลี้ยงเด็กๆมากมายเพื่อสอนให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์และมีเมตตาเพื่อทำให้โลกนี้เป็นสถานที่น่าอยู่มากขึ้น